นาทบินทิกัดเศรษฐีสร้างเชตวนารามเสร็จแล้วได้ส่งทูตไปทูลอาราธนาพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ให้เสด็จมานครสาวัตถีขณะนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ณนกะรุงะะราชคฤือพระตถาคตเจ้าเสด็จออกจาก น, ค, นะะครราชคฤือไปยังเมืองเวสาลีประทับอยู่ณนะเวสาลีพอสมควรแล้วเสด็จดำเนินมุ่งพระพักสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลครั้งนั้น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 ตรับถามอีกว่ามาทำอะไรอยู่ที่นี่เวลานี้พระสารีบุตรกราบทูนว่ามาทีหลังหาที่พักไม่ได้จึงมาพักนกโขนไม้นี้พระสักยมุนีทรงทราบเรื่องแล้วทรงสลดพระไถวว่าบัดนี้เรายังมีชีวิตอยู่พิสุททั้งหลายยังขาดความคารพยำเกรงกันถึงขนาดนี้ต่อไปภายหน้าเมื่อเรานิพพานแล้วจกเป็นอย่างไร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 สารีบุตรไม่ได้เสนาสนะเลยก้องอาศัยอยู่ที่โคนไม้ดังนี้แล้วทรงแสดงเรื่องในอดีตว่าแม้สัตว์เดียรัสฉานยังรู้จักเคารพกันตามลำดับอาวุโสก็ฉะไหนเล่าเธอทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยซึ่งเรากล่าวไว้ดีแล้วจึงไม่เคารพยำเกรงกันเล่าีิสูดทั้งหลายเราอนุญาตการลุกรับการอภิวาทการทาอัญชลีกรรมสามีจิกรรม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 ยังเป็นผู้มีความอดทนและให้อภัยแก่ผู้ประทุษร้ายดังเรื่องต่อไปนี้คราวหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาประทับนเชตวันวิหารพวกมนุษย์เป็นอันมากในที่แห่งหนึ่งได้พากันกล่าวสรรเสริญคุณของสารีบุตรเทระว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นผู้มีคุณน่าอาัศจรรย์ ประกอบด้วยกำลังคือความอดทนเมื่อใครๆด่าก็ตามประหารท่านก็ตามความโกรธหาเกิดขึ้นแก่ท่านไม่คราวนั้นมีพระมิจฉาทิฐิคนหนึ่งกล่าวแย้งว่าที่ว่าพระสารีบุตรไม่โกรธนั้นเห็นจะเป็นเพราะไม่มีใครยั่วให้โกรธกันมังไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพราหมณ์มหาชนปฏิเสธถ้าอย่างนั้นก็พเจ้าใครจะทดลองดูพระาม์ว่า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 ถ้าท่านอภัยโทษให้กระผมแล้วก็ขอได้โปรดไปรับอาหารที่เรือนของกระผมเถิดขอได้โปรดทรงบาทมาเถิดพระสารีบุตรทรงบาทให้พรามพาท่านไปยังเรือนของตนอังคาดด้วยอาหารอันประณีตการที่พรามลอบประหารพระสารีบุตรนั้นหาได้พ้นสายตาของมหาชนบางกลุ่มไปไม่พวกเขากรบแค้นว่าพรามนั้นประหารพระผู้เป็นเจ้าของเราผู้หาโทษมิได้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 พิสุทั้งหลายกล่าวยกโทษว่าอะไรกันพระสารีบุตรถูกพรามประหารแล้วยังไปนั่งฉันอาหารที่เรือนเขาอีกเมื่อเขาประหารพระเถระเช่นพระสารีบุตรได้ต่อไปก็จะที่ยวประหารพิสูจอื่นๆโดยไม่มีความระอายและความเกรงกลัวพระาศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่พิสุสนทนากันแล้วตรัสว่าพรามประหารพราหมณ์นั้นไม่มีแต่พรามคลื่หัด อาประหารสมณะได้อันหนึ่งความโกรธย่อมถูกทำลายไปด้วยอนาคาเมมัคดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าพรามไม่ควรประหารพราหมณ์ไม่ควรจองเวรพราหมณ์หน้าติเตียนพราหมณ์ผู้ประหารพราหมณ์ด้วยกันหน้าติเตียนพราหมณ์ผู้จองเวรยิ่งกว่าพราหมณ์ผู้ประหารก่อนการกีดกันใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นความประเสริฐไม่น้อย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 จะไม่เสื่อมจากบุญและสัตวิวิหาริยของตนจะไม่เสื่อมจากลาบอันชอบธรำซึ่งพวกตนควรจะได้ความโลภในลาบหามีแก่สารีบุตรไม่พิสูจทั้งหลายปัญหาของผู้ใดไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่มีความหวังรากิเลสได้แล้วเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์ปราดาการกระทําของผู้ไม่มีกิเลสนั้นบางทีก็มีอาการคล้ายมีกิเลส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 ท่านไม่ได้อาหารหรือน้ำข้าวที่เป็นเดนก็สมควรจะกินน้ำข้าวที่ติดอยู่หลังกระบวยในเรือนของคนอื่นท่านสละทรัพย์ตั้งแปดสิบโกดออกบวชทําให้เราจิบหายเสียแล้วบัดนี้ท่านจงบริโภคเถิดนางได้ถวายอาหารแก่พิสูจทั้งหลายที่มากับพระสารีบุตรและด่าไปพรางว่าบุตรของเราออกบวชไปเป็นคนรับใช้ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายทําบุตรของเราให้เป็นคนรับใช้ของตนแล้ว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 พระเจ้าข้าแล้วอุปชายยะของเธอพูดอะไรบ้างไม่พูดอะไรเลยพระเจ้าข้าพระศาสดาทรงดุสณนีที่สุทังหลายทราบเรื่องนั้นแล้วสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระสารีบุตรเป็นผู้มีคุณน่าอัศจรรย์แม้เมื่อมารดาด่าอยู่ด้วยถ้อยคำรุนแรงก็ไม่โกรธไม่พูดอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าที่สุทั้งหลาย พรามในความหมายของเราคือท่านผู้ไม่โกรธมีจิตดีมีศีลไม่มีตัณหาฝึกตนดีแล้วมีสรีระครั้งสุดท้ายสำหรับพระอาศชิเทระนั้นพระสารีบุตรเคารพนับถืออย่างสม่าเสมอมาตั้งแต่ได้ฟังธรรมจากพระอัชฉิบรรลุโสดาปติผลแล้ว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 พระตถาคตเจ้าจึงตรัสกับพิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายสารีบุตรหานอกน้อมทิศไม่แต่เธอนอกน้อมอาจารย์ของตนคือพระอสุชิเถระพระสารีบุตรแด่อาศัยอสุจิฟังทำจากอสุชิเป็นครั้งแรกแล้วได้บรรลุโสดาปติผลพิสุทั้งหลายภิกษุอาศัยอาจารย์ใดแล้วได้รู้ธรรมเธอพึงนอกน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพอยู่เสมอ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 ฉะรอยพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะแนะนำเธอได้ดัง น, น, นี้แล้วในเวลาเย็นพาไปเฝ้าพระศาสดาถูนเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบครั้งนั้นพระศาสดาทรงดำริว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บาเพ็ญบารมีมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วย่อมมีอาสยานุสยญาณคือญาณเป็นเครื่องรู้อัธยาศัยของวงสัตว์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 เธอให้พิสุนี้ลำบากมาเป็นเวลาถึงสีเดือนด้วยบอกกรรมฐานไม่เหมาะแก่อัธยาศัยของเขาเธอไปก่อนเถิดเธอจักได้เห็นพิสษุนี้บรรลุพระอาหารหัตผลในไม่ช้าพระพุทธองค์ทรงเนลมิต ด, ดอกประทุมทองประมาณเท่าจักด้วยผลิตแล้วทรงทรรมให้เป็นเหมือนมีหยาดน้ำจากใบและก้านแล้วได้ประทานให้พิสษุนั้นพร้อมตรัสว่าเอาเถิดภิกษุ ทรงถือเอาดอกประทุมนี้ไปวางไว้ที่กองทรายท้ายวิหารนั่งขัดสมาธิแล้วบริกรรมว่าโลหิตกังโลหิตกังสีแดงสีแดงเมื่อเธอรับดอกประทุมจากพระหัตถ์ของพระศาสดาเท่านั้นใจก็เลื่อมใสและผ่องใสได้ทำตามที่พระศาสดารับสั่งนิวรนทั้งหลายระงับไปในขณะนั้นเองอุปจารยชานเกิดขึ้น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 เธอจกอาจเพิ่มยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นโดยลำพังตนเองหรือไม่หนอสทรงทราบว่าเธอจกไม่อาจแล้วทรงอธิษฐานว่าขอดอกปทุมนั้นจงเหี่ยวแห้งไปดอกประทุมนั้นเหี่ยวแห้งมีสีดําเหมือนดอกประทุมที่ถูกขยี้ด้วยมือภิกษุนั้นออกจากชานแล้วแลดูดอกประทุมเห็นอันนี้จะลักษณะว่าทาไมหนอดอกปทุมจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ เมื่ออนุ ป, ปาทินกะสังขารคือสังขารที่ไม่มีใจครองยึงถูกความชราครอบงำอย่างนี้แล้วไม่ต้องกล่าวถึงอุปาทินกะสังขารเมื่อท่านเห็นอ น, นิจจลักษณะแล้วทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะก็เป็นอันเห็นด้วยพบทั้งสามปรากฏแก่ท่านดุดไฟติดทั่วแล้วและดุดซากศพอันบุคคลผูกไว้ที่คอขณะนั้นพวกเด็กลงสู่สะแห่งหนึ่ง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 บทนี้กรรมฐานปรากฏแก่ภิกษุนี้แล้วประทับนั่งในพระคันธกุฎีเป่งพระรัศมีไปพระรัศมีนั้นกระทบหน้าภิกษุนั้นเธอพิจารณาอยู่ว่าอะไรหนอพระาศาสดาได้เป็นประหนึ่งว่าเสด็จมาประทับอยู่ตรงหน้าท่านลุกขึ้นประคองอัญชลีลาดับนั้นพระาศาสดากําหนดอธัธยาศัยของเธอแล้วตรัสว่าจงตัด หรือถอนความเยื่อายของตนเหมือนบุคคลถอนหรือตัดดอกบัวในสาธการด้วยมือจงข้อบพูนทางแห่งความสงบพรบภานิพานพระสุคตก็ทรงแสดงไว้แล้วเมื่อจบเทศนาภิกษุรูปนั้นได้บรรลุอรหัตตล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 ท่านทำกรรมชั่วอะไรด้วยกายวาจาใจาเล่าท่านไปจากมนุษยโลกนี้สู่เปตโโลกเพราะวิบากเหงกรรมอะไรนาำเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชนเหล่าวใดเป็นวิดาก็ดีมารดาก็ดีหรือแม้เป็นญาติผู้มีจิตเลื่อมใสถึงชักชวนดิฉันว่าจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายชนผู้อนุเคราะห์แกดิฉันเช่นนั้นมิได้มีเพราะไม่ได้ทำกุศลกรรมมีทานเป็นต้น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 ภายหลังนางเปรตนั้นมีร่างกายบริสุทธิ์นุ่งห่มผ้าอันสะอาดมีค่ามากยิ่งกว่าผ้าแคว้นกาสีมีวัฒถาร อ, อันวิจิตรงดงามเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรเถระถามหญิงเปรตอีกตนหนึ่งว่าดูกระนางเปรตผู้ผอมมีแต่สี่โครงท่านเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างน่าเกลียดสูบผอมมีตัวสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นท่านเป็นใครหรือ